วันนี้เป็นวันเสาร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่ง น, นี้ปกติการแสดงธรรมที่นี่ก็จะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยและก็วันพระวันเหล่านี้จะมีการแสดงธรรมที่นี่ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปปกติเมื่อก่อนก็จะแสดงธรรมประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันแต่วันนี้ จะขอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสักเล็กน้อยคือจะแสดงธรรมประมาณส0สินาทีในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นอีกส0สิบนาทีก็จะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันจะได้ทั้งสมาธิจะได้ทั้งปัญญาเพราะการปฏิบัติเพื่อมิมุติหลุดพ้น จากความทุกนี้จำเป็นที่จะต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาขาดไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนี้จะไม่มีกำลังพอในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเหมือนกับสมาธิกับปัญญานี้ก็เหมือนกับมือทั้งสองข้างเวลาที่เราจะต่อสู้กับใคร เราก็ต้องใช้สองมือมือซ้ายมือขวาช่วยกันถ้ามีมือเดียวก็จะสู้เขาไม่ได้นันใดถ้าทามีเพียงสมาธิยอย่างเดียวหรือมีเพียงปัญญาอย่างเดียวทำก็จะไม่สามารถต่อสู้เอาชนะอธรรมคือกิเลสตันหาได้แต่ถ้ามีทั้ง สมาธิมีทั้งปัญญาธรรมก็จะเป็นผู้ชนะอาจธรรมเกิจีเวตัญหาโมหะาอาวิชชาดังนั้นวันนี้จะมีการสแสดงธรรมครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีในตอนต้นแล้วก็จะมีการนั่งสมาธิต่ออีกสามสิบนาที ทำที่จะแสดงในวันนี้นี่ก็คือเรื่องพระธุดงค์กรรมฐานคำว่าพระธุดงค์กรรมฐานนี้เป็นชื่อที่เรียกใช้กับพระสายวัดป่าหรือพระป่าเพราะท่านจะเน้นการปฏิบัติธุดงค์เขาวัดและการเจริญกรรมฐานเพื่อเป็น เครื่องมือในการที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาที่เป็นธรรมที่สำคัญต่อการเอาชนะกิเลสปัญหาโมหะอวิชชากำจัดความทุกข์กางๆที่มีภายในใจให้หมดสิ้นไปทุดงควนี้คือการ ส่งเสริมการอยู่กินแบบมักน้อยสังดูเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่จู้จี่จุดจิตพุโด <ừ. S 1> งคํขวัานี้มีอยู่สิบสามข้อด้วยกันแบ่งไว้เป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งคือหมวดอาหารการกินหมวดที่สองก็คือ <c oughs> ที่อยู่อาศัย หมวดที่สามก็คือเครื่องนุ่งหม่มและหมวดที่สี่คือความเพียรคืดอดงขวานนี้เป็นเครื่องมือของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะช่วยกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างง่ายดาย ถ้าขาดพือดวงควันแล้วการต่อสู้กับกิเลสปัญหานี้จะยากลําบากมากแต่ถ้ามีชื่ชดวงควันแล้วการต่อสู้กับกิเลสปัญหานี้จะเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายาลดและรวดเร็วดังนั้นผู้ที่ปรารถนาวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง จึงมกักจะนิยมปฏิบัติทุดงควัตันทุดงควัตบหมวดที่หนึ่งที่เกี่ยวกับอาหารอันนี้หมายถึงการปฏิบัติของพระนักบวชแต่คาลว่าก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ปรับได้ตามเมะความเหมะสมของเพศสงสน องค์พระนี่ข้อที่หนึ่งคือเรื่องของการบินธบาตเป็นวัดคือจะเน้นให้ออกไปขอทานหรือไปรับอาหารจากศรัทธายาโยมการบินธบาตนี้เป็นการช่วยเสริมความเพียรแก้ความเกียดข้างเพราะถ้าต้องกินอาหารก็ต้องออกไปบินธบาต ก็จะส่งเสริมให้มีความเพียรต้องมีการเดินไปเดินมายิ่งถ้าเป็นวัดพระสายวัดบางนี้ท่านจะเดินไกลเพราะที่พระที่ปฏิบัติธรรมนี้มักจะอยู่ห่างออกไปจากละแวะกบ้านอย่างน้อยก็ประมาณสองกิโลก็ต้องมีการเดินเข้าออกช่วงที่เดินเข้าออกก็จะถือเป็นช่วง ปฏิบัติเดินจงกรมถ้าที่ออกไปดินบาตรแม้จะไปด้วยกันแต่ท่านจะไม่คุยกันท่านจะเดินไปเหมือกับเดินจงกรมไปให้มีสติอยู่กับการเดินไปเรื่อยๆพอ ถ, ถึงมาแวกบ้านก็รับบาทรับอาหารจากสักการ่าย่โยมก็รับด้วยอาการสำรวมมีสติคอยควบคุม ตาหูจมูกิ้งกายได้ใจไม่ให้ไปเสกกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพะที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกิ้งกายไปเพื่อรับอาหารบิญสบาะไปไม่ได้ไปเพื่อเสกรูปเสียงกลิ่นรถไม่ได้ไปดูหน้าตาคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปดูสถานที่ต่างๆแต่ไปเพื่อหากินหาอาหารมารับประทาน และไปเพื่อจเจริญสติหาธรรมะให้กับจิตใจเพราะสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการจเจริญสติต่อการนั่งสมาธิและต่อการจเจริญปัญญาถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิก็จะยากจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้แล้วถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถพิจารณาธรรม ให้อยู่ในกรอบของธรรมได้การบินาบาสนี้เป็นกิจวัตรที่สำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนพระตั้งแต่วันแรกของการบวชเลยพระที่บวชใหม่ทุกรูปนี้จะพระ อ, อุปชาจะสอนนิสัย ส, สี่ให้แก่พระที่บวชข้อที่หนึ่งก็คือให้บินละ ให้ถือการบินตาบินธาบาตเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นวิธีหากินของพ้าหากินด้วยการบินธาบาตสองให้อยู่ป่าเพราะป่านี้เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกเพื่อต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาสามให้ใช้ผ้าบางสกุลใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่ต้องวุ่นวายไปซื้อ หาเงินมาซื้อผ้ามานุ่ห่มไปเก็บผ้าตามป่าชามาใช้แล้วก็ข้อที่สี่ <c oughs> ให้รับประทานยายาดองน้ำมูดยาดองน้ำมูดเน่าคืยที่เอาเอาสมอนี่มาดองกับน้ำปัสสวะเพื่อเอามาดื่มเป็นยาเวลามีอาการเจ็บไข้ในปวด นี่คือเกจของพระที่ควรกระทำพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอุปชาที่บวชพระทุกรูปนี้ยังเป็นต้องสอนเรื่องการบินธบิเป็นวัดแล้วตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงบําเพ็ญข้อวัดคือการบินธบิโปรดสั์ทุกวันหนึ่งในภุทธกิจห้า ก็คือการบินธบานเป็นวัดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงสเสด็จออกบินธบาน ท, ทุกวันยกเว้นถ้าไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเท้านั้นรูปตะกิดห้นอกมีอยู่ห้าข้อออกบินธบานโปรดสัตว์ตอนบ่ายแสดงธรรมสอนให้แก่ญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้แก่ภิกษุภิกษุณี ตอนดึกแสดงทําให้แก่เทวดาและตอนยามเช้าก่อนจะเสด็จออกบินธบาตก็จะทรงเล็ง ย, ยามดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษ mm hmm. นี่คือกิจที่พระเจ้าทรงบัญเป็นทุกวันห้าข้อนี้ mm hmm. รวมไปถึงข้อบินธบาตด้วย mm hmm. ล้วทรงแสดงทรงสอนให้ บินบาตในทูดงขวัตสิบสามข้อหนึ่งในทูดงโสขวัตสิบสามข้อก็คือการบินบาตรทรงให้เห็นความสำคัญสำหรับพระนักบวชให้อยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษไม่ให้โลภมากไม่ให้อยากได้อาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้มารับประทานให้ยินดีตามตามีตามเกิดศรัทธาชาวบ้าน จะใส่อาหารอะไรมาก็ให้ยินดีรับฉันไปตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็ไม่วุ่นวายไม่ไม่กังวลอันนี้จะช่วยกำจัดนิวรณ์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ทำให้การบำเพ็ญทำใจให้สงบนี่เป็นไปได้ง่ายไม่มีอปุปสรรคนี่คือข้อที่หนึ่งของทุตุงคาวะที่พระสายวัดป่า จะนิยมปฏิบัติกันก็คือการบินทบาทเป็นวันข้อที่สองคือการฉันมือเดียวเป็นวันฉันหนนเดียวก็พอร่างกายไม่ต้องการอาหารมากให้ให้อาหารร่างกายวันละหนึ่งครั้งก็พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุดได้ไม่จำเป็นที่จะต้องกินสองสามมื้อได้กัน การกินมากก็จะมีอุปสรรคต่อการภาวนาเพราะจะทําให้เกิดความเกียดการเกิดการะเกิดความห่วงเหงาเหาหนอนนั่งนั่งสับประงกเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งหลับการกินมื้อเดียวนี้จะทําให้ร่างกายไม่ขี้เกียจเพราะไม่กินอิ่มมากจนเกินไปถ้ากินอิ่มแล้วหนังตาจะหย่อนหนังท้องหนังท้อง อ่าหนั ง, ห น, งหนังท้องจะตึงหนังตาจะหย่อนก็จะเกิดความง่วงเหงาเหาน อ, นอนขึ้นมาแต่ถ้าฉันมือเดียวนี้มันทําให้ไม่ง่วงนอนไม่ให้เกียจคร้านแล้วทาให้ไม่เสียเวลาไปกับการกินอาหารมากจนเกินไปจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ได้มากขึ้นไปตามลําดับ นี่คือข้อข้อที่สองของพระทุดงพระสายสายวัดป่า ท, ที่ท่านจะปฏิบัติกันก็คือฉันมือเดียวมักจะนิยมฉันตอนเช้าหลังจากกลับมาจากบินธบาติพอกลับมาจากบินธบาตก็ขึ้นศาลาเอาอาหารที่ได้จากการบินธบาตนี้มาแบ่งกันมาแจากจ่ายกันให้พอเพียงให้อยู่ด้วย ให้ให้มีอาหารพอเพียงแล้วก็ไม่ไม่ต้องให้จู้จี้จุกจิกองวันนี้จะไม่ให้พระเลือกอาหารใส่บาตรเลยอย่างที่วัาป่าบันานี้หลวงตาท่านก็จะไม่ให้พระจัดอาหารใส่บาตรของตนเองแต่จะให้พระลูกอื่นช่วยกันพระลูกอื่นก็จะอาาหารตักเอาไปตักใส่บาตรแต่และองค์เพื่อที่จะได้กำจัดปัญหาเรื่องความจู้จี้จุกจิก ความติดในรสชาติอาหารความติดในรูปสียันติดรสความติดในชนิดของอาหารต่างๆทำให้อยู่อยู่ง่ายกินง่ายไม่มีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารข้อที่สามก็คือการฉันในบาสอาหารที่เราจะที่พระจะฉันที่ยาเข้าไปในร่างกายนี้ มันก็บอกว่าให้เอาใส่ไปในบาทรวมกันไปในบาทเลย <c oughs> เพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีไม่จำเป็นที่จะต้องแยกใส่จานใส่ชามใส่อะไรต่างๆ <c oughs> เพราะนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสเวลาที่จะกินอาหารเพื่อแยกชนิดกันต้องแยกอาหารขาวออกจากอาหารหวานออกจากขนมนมเนอยอะไรต่างๆ <c oughs> ในเมื่อของเหล่านี้มันเป็นอาหาร แล้วมันจะต้องเข้าไปรวมกันในท้องอยู่แล้วเราไม่ได้กินเพื่อกินเลยเรากินเพื่อร่างกายเอาอาหารให้ร่างกายเป็นเหมือนกับการกินยาเวลาเรากินยาเรามักจะไม่เลือกว่าต้องยาต้องเป็นสีนั้นสีนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็กินยาที่เราได้มาหมอให้ยามาแบบไหนก็กินเข้าไป เข้าไปให้มันเข้าไปในร่างกายให้ได้เท่านั้นก็พอพออาหารเข้าไปในร่างกายได้แล้วมันก็จะเริ่มทําหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะฉันอาหารนี้่พระจะสอนครูบาอาจารย์จะสอนพระให้พิจารณาอาหารก่อนจะฉันว่าอาหารที่เราจะฉันนี้ฉันเพื่ออะไร ฉันเพื่อกาจัดความหิวของร่างกายฉันเพื่อป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเกินไปฉันเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปได้วันๆหนึ่งไม่ได้ฉันเพื่อรสชาติของอาหารไม่ได้ฉันเพื่อความสนุกสนานไม่ได้ฉันเพื่อความอร่อยเป็นต้นฉันเป็นเหมือนฉันยาลัประทานยาการฉันในบาสนี้ก็มี สามรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งก็คืออาหารใส่บาตรอาจจะแยกเป็นส่วนส่วนไปข้าวไว้ข้างหนึ่งกับข้าวไว้ข้างหนึ่งขนมอะไรไว้ข้างหนึ่งไม่ปนกันทีเดียวอันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือไม่แยกอาหารคือใส่มันเข้าไปข้าวจะอยู่ตรงไหนก็ได้ขนมอยู่ตรงไหนก็ได้กับข้าวจะอยู่ตรงไหนก็ได้ ไ, ไ, ดไม่สาคัญ ถือว่าเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดีแบบที่สามก็คือให้อาหารที่ใส่เข้าไปในบาทนี้คลุกเลยคลุกเป็นเหมือนกับอาหารที่เราเลี้ยงสุนัขนี่เป็นอาหารจานเดียวทั้งของคราวทั้งของหวานทั้งขนมนมเนยอะไรต่างๆที่เราจะกินเข้าไปในท้องนี้เราก็คลุกกันไว้ก่อนอันนี้เพื่อปราบกิเลสเรื่องของความจู้จี้จุกจิก เรื่องของการติดชนิดของอาหารต้องกินอาหารชนิดนั้นต้องกินอาหารชนิดนี้กินอาหารอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยกินอาหารอย่างนี้ของหวานกับของข้าวถูกกันไม่ได้ปนกันไม่ได้เป็นต้นอันนี้เป็นการกําจัดความจูจ้จี้จุกจิกของกิเลสเพื่อความเรียบง่ายเพื่อเพื่อความอยู่อย่างเรียบง่ายอันนี้คือข้อทุดง3ามข้อ ที่พระกรรมฐานทั่วไปมักจะนิยมใช้กันอาจจะมี อ, อีกบางข้อแต่จะไม่ได้นำออามาพูดให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเป็นกรณีของแต่ละวัดเช่นที่วัดป่าบ้านตานี้จะไม่รับอาหารหลังในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้จะไม่รับอาหารที่สาราหลังจากกลับจากบินสบายแล้วจะไม่รับอาหารจากญาติโยมถ้าญาติโยมจะใส่บาตรต้องใส่ตอนที่บินสบาย เพราะว่าท่านต้องการที่จะมีอาหารน้อยๆไม่ต้องการที่จะรับอาหารมากเพราะว่าอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้กินให้มันก็ไม่ได้กินแล้วก็ต้องเสียเวลากับการที่จะมาจัดการกับอาหารต่างๆท่านเลยใช้ข้อทโดงคาวัทที่ว่าไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินบาบาด แต่ญาติโยมที่อยากจะใส่บ่ายก็มักจะมารอเข้าแถวอยู่ที่หน้าประตูวัดกันกลายเป็นแถวยาวเหยียดไปเลย mm hmm. อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของการบินของเรื่องของการนะขบชันของที่มีอยู่ในชุโดงควัด mm hmm. แล้วมาบวดของที่อยู่อาศัยอ mm hmm. าารก็สอนให้อยู่ตามโคนไม้การอยู่ตามโคนไม้ก็คือไม่ได้ให้อยู่ในกุฏิ ให้ไปปรากฏอยู่ใต้โคนไม้เวลาไปอยู่ป่านี่เวลาไปทุ่งดงก็มักจะนิยมมีกรธมีมุ้งไปด้วยเพราะว่าที่อยู่อาศัยนี้จามีแบบตามมีตามเกิดเพราะจะไปอยู่ในป่าเพราะการอยู่ในป่านี้เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกเพื่อต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองพระที่ มีกําลังที่จะไปทุดงได้ก็มักจะนิยมไปเปลียกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็ไปปักกดอยู่ตามโคนไม้อันนี้เป็นทุดงสองข้อนะทุดงอยู่ใต้อยู่อยู่อยู่ใต้โคนไม้ข้อหนึ่งแล้วทุดงอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่ป่าไม่อยู่ไม่อยู่วัดไม่อยู่ตามวัดตามบ้านตามเมืองอะไร ให้ไปหาทางที่บำเพ็ญปฏิบัติในป่าในเขากันแล้วก็ใช้การปักกฎอยู่ไปอันนี้คือเรื่องของการอยู่ที่อยู่อาศัยเพราะว่าถ้าอยู่น่อยู่ในวัดก็ดีบางทีก็ต้องมีเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มีภารกิจอะไรที่จะต้องทำ แต่ถ้าไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนี่จะไม่มีกิจอะไรให้ทำนอกจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิ <c oughs> แต่การจะไปดูป่าอยู่คนมานี้มักจะเป็นสำรับพร์ที่มีประสบปปการณ์แล้วมีกำลังมี ม, มีมีฐานของจิตใจแล้วคือมีความสงบในระดับหนึ่งสามารถที่จะควบคุมจิตใจ <c oughs> ไม่ให ว่าวุ่นขุนมัวได้ไม่ให้เกิดความหวาดกลัวต่างๆขึ้นมา น, นี่ก็คือการอยู่อยู่ป่าอยู่โคนไม้ก็เป็นข้อทุดองขอวัตอีกสองข้อด้วยกันแล้วก็ส่วนหมวดที่สามก็หมวดเรื่องการห่มผ้าการใช้ผ้าจีวรท่านก็สอนให้ใช้ผ้าบางสกุลคือสมัยพระพุทธกาลนี่ เวลาคนตายนี่เขาจะนิยมเอาผ้าขาวมาห่อศพเอาไว้แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้าให้เน่าเปื่อยให้ผุพังไปไม่ต้องเสียเวลากับการที่จะต้องมาหาฟืนมาเผาไม่ต้องมาเสียเวลากับการขุดหลุมฝังศพเป็นเอาเพียงแต่ผ้าขาวมาหอ่อแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้า พอศบเน่าเปื่อยไปหมดแล้วผ้าก็ยังสามารถเอามาใช้ได้นักบวชสมัยนั้นก็จะนิยมไปเก็บผ้าบางสกุลนี้เอามาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บให้เป็นผ้าจีวรสามผืนด้วยกันเป็นผ้าสบงผ้าจีวรและก็ผ้าสังคติอันนี้คือเรื่องเรียกว่าการใช้บ้าง ใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดจะไม่นิยมใช้ผ้าที่สำเร็จรูปที่เขาตัดเย็บมาให้อย่างดีจะไม่นิยมใช้ผ้าใหม่เพราะว่าในสมัยนั้นผ้าก็เป็นของที่ขาดแคลนทำไมที่พทธเจ้าทรงบรําเพ็ญในยุคแรกๆของพระพุทธศาสนานี้ไม่มีการถวายผ้าให้กับพระไม่มีการถวายจีวรผ้าไต มีแต่ใส่อาหารบิณฑบาตเพียงอย่างเดียวส่วนผ้านี้พ้าต้องไปหากันเอาเองหาไปเก็บผ้าที่มีทิ้งไว้ในป่าช้าแต่ต่อมาพอคนเริ่มมีศรัทธานในศาสนามากขึ้นก็มีคนถวายผ้าที่เป็นผ้าใหม่เป็นผ้เพับก็ให้ผ้ามาตัดเย็บแต่ถ้าพ้ายังอยากจะใช้ความสันโดษมากน้อยก็มักจะนิยม ไปเอาผ้าบางสกุลมาใช้กันเพราะบ้าบางสกุลนี้มันก็เป็นผ้าที่อาจจะเปื้อนด้วยน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรต่างๆก็เป็นการช่วยให้เราได้พิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามความสกปรกของร่างกายของเราทุกคนร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ใช่เป็นร่างกายที่น่าดูน่าชมอะไรต่อไปมันก็จะต้องกลายเป็นซากศพไป แล้วก็มีสิ่งที่สกโปกเช่นเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆไหลออกมาอันนี้ก็เป็นการช่วยเจริญกรรมฐานกรรมฐานก็คือธรรมะที่จะเอามาเป็นที่เจริญสติสมาธิและปัญญาส่วนหมว ด, ด, ดที่สี่ก็หมวดของความเพียร ก็สงสอนให้ถือในสัจชิกก็คือการถือสามิเดยาบทคือถือท่ายืนท่าเดินและก็ท่านั่งแต่จะไม่ถือท่านอนจะจะยกเว้นจากการนอนอันนี้ก็ไม่ได้หมาความว่าให้ถือไปตลอดอาจจะถือเป็นช่วงๆไปช่วงไหนที่อยากจะเร่งทําความเพียรช่วงไหนที่มีกําลังจิตกําลังใจที่ดีมีกําลังมาก ก็อยากจะเล่นความเพียรก็จะถือในสัจจิกันคือไม่ไม่นอนไม่ไม่หลับในท่านอนถ้าจะหลับก็หลับอยู่ในท่านั่งหรือยืนแต่จะไม่ใช้เป็นท่านอนเพื่อหลับนอนเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับให้กับการบาเพ็ญจิตตภาวนานัน ทุดงควัดนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการบาเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเรากินอยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเราก็จะมีเวลามากให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เรามาใช้สำหรับเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นเองเราต้องมีกรรมฐานต้องมีอารมณ์ เชนเวลาที่เราจะทําจิตใจให้สงบนี้เราก็ต้องมีกรรมฐานเช่นพุทธานุสติอนุสตินี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งพุทธานุสติให้เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคําว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเมื่อเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปใจของเราก็จะไม่สามารถคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ความฟุ้งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆ ก็จะถูกระ ง, งับไปแล้วถ้าสามารถจเจริญสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้นี่คือการใช้กรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานก็คือไม่ว่าจะเป็นการจเจริญสมาธิหรือการจเจริญปัญญานี้จาเป็นที่จะต้องมีกรรมฐานเป็นอารมณ์ถ้าต้องการความสงบก็มี กรรมาฐานหลายอย่างด้วยการที่สามารถเอามาใช้ได้เช่นพุทธานุสติก็คือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธธรรมานุสติก็อาจจะใช้การสวดมนต์ก็ได้การสวดมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นธรรมานุสติได้เพราะบทสวดมนต์นี้ก็เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเวลานั่งสมาธิจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อันนี้ก็เป็นกรรมาฐานอีกอย่างหนึง่ง ที่เรียกว่าอาณาปานาสตินี่คือกรรมฐานที่จะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาส่วนกรรมฐานที่จะเอามาใช้ในการเจริญปัญญาก็คือการพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกาย<ม>การดูว่าร่างกายนี้นอกจากที่เราเห็นภายนอกแล้วภายใต้ผิวหนังก็ยังมีการมีอาการอย่างอื่นที่ ที่ไม่น่าดูไม่น่าชมที่เราจะต้องมองให้เห็นถ้าเราอยากจะกำจัดความการมาราคะความยินดีในการที่จะร่วมเพศกับผู้ถ้าเห็นอสุภะเห็นอาการสามสิบสองการมาราคะคือความอยากความไข่ในการเสพการ ม, มันก็จะละ ง, งักไปนี่คือข้อปฏิบัติของพระป่าพระสายวัดป่าท่านจะเน้นเรื่องของการ เรื่องของการรักษาทุดงขวัตข้อต่างๆแล้วก็จะใช้เวลาให้กับการปฏิบัติจเจริญกรรมฐานอันต้นเบื้องต้นก็จเจริญกรรมฐานสำหรับความสงบก่อนจเจริญสมาธิก่อนเพราะก่อนที่จะไปจะเจริญทางปัญญาได้จิตใจต้องมีความสงบถ้าจิตใจไม่มีความสงบจิตใจจะไม่สามารถพิจารณาธรรม ให้เห็นได้อย่างเป็นธรรมเพราะเมื่อใจยังไม่สงบจะมีอคติคือความรักชังกลัวหลงครอบงำใจอย่จะทำให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาความจริงได้เช่นอสุภาะหรือมรนานุสติพิจารณาความตายของร่างกายได้เพราะจะมีความกลัวพิจารณาแล้วจะเกิดความรู้สึกขดหู่ใจไม่สบายใจแต่ถ้าได้ฝึกสตินั่งสมาธิก่อน ทำใจให้นิ่งให้สงบได้ก่อนแล้วพอมาเจริญปัญญาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นพิจารณาเรื่องของความตายก็ดีพิจารณาเรื่องของอาการ3ามสองของร่างกายก็ดีพิจารณาซากศพก็ดีใจก็จะสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องการพิจารณานี้ก็เพื่อให้เห็นภาพของเห็นความจริงของร่างกายการจะเห็นความจริงได้นี้ต้องพิจารณาบ่อย พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมถ้าพิจารณาเพียงครัง้งสองครั้งเดี๋ยวก็ลืมได้พอลืมแล้วก็เหมือนกับไม่มีปัญญาต้องพิจารณาจนกระทั่งมันไม่ลืมถ้ายังลืมอยู่แล้วเรียกว่าเป็นสัญญายังยังไม่สามารถเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสดับความกลัวตายได้ดับความความไข้ในร่างกายได้แต่ถ้าสามารถพิจารณาจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมรู้อยู่ตลอดเวลา เวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมาก็ใช้มรณานุสติขึ้นมาหรือเวลาเกิดการมลาคา้าก็ใช้อสุภะขึ้นมาแทนทันที mm hmm. ก็จะสามารถระ ง, งับกิเลสต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจได้ mm hmm. นี่คือเรื่องของสิ่งที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านจะใช้ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุทำขั้นต่างๆ mm hmm. ท่านจะไม่ขาดเรื่องกา ร, รถือทุดงคขวัตต่างๆแล้วท่านก็จะเจริญกรรมฐานอยู่ตลอดเวลากรรมฐานข้อที่ข้อแรกที่ต้องเจริญก็คือสตินี่เองการจะเจริญสติได้ก็ต้องมีกรรมฐานเช่นกายะกะตาสติก็ใช้ร่างกายนี้เป็นที่เป็นที่เจริญสติคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวทุกิเิีาบุตรของร่างกาย เพื่อผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เข้าดูอยู่กับการขึ้นไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเรียกว่ากายกตาสติและเวลานั่งสมาธิก็จะใช้ลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธก็ได้ถ้ามีกรรมฐานคอยกํากับใจ ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะถูกบังคับให้เข้าสู่ความสงบตามลำดับต่อไปพอจิตสงบแล้วก็จะเกิดความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตก็จะสามารถเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้เช่นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตนเพราะตัว อ, อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุข จากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลพัฒนาต่างๆแต่ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมลงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและจะต้องตายเวลาที่มันเสื่อมลงนี้ก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายมาหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพัฒน์ชนิดต่างๆได้แต่ถ้ามีความสุขจากการทําจิตให้สงบจากสมาธิก็จะไม่ต้องอาศัยร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติเราจำเป็นที่จะต้องมีกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ตั้งของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติก็ดีไม่ว่าเป็นการเจริญปัญญาก็ดีต้องมีกรรมฐานเมื่อมีกรรมฐานแล้วก็จะสามารถทําให้จิตใจสงบสามารถสอใจให้ปล่อยวางได้ เมื่อไม่เมื่อปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับอะไรความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาสิ่งที่เราไม่ยึดไม่ติดมันเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน mm hmm. นี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติทุดงควัตแก่เรื่องของการเจริญกรรมาฐาน mm hmm. ที่เอามาฝากท่านโดยสังเกตสำหรับวันนี้ mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาของการ แสดงธรรมแต่เรายังมีเวลาอีกประมาณ30นาทีให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิต่อเวลาที่ท่านฟังธรรมท่านก็อาจจะใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แต่พอไม่มีการแสดงธรรมก็ต้องมีอย่างอื่นมาแทนเสียงธรรมเช่นใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะใช้คำบรลรรมพุทโธพุทโธก็ได้ หรือจะใช้การสวดมนต์ก็ได้หรือจะใช้การท่องอาการสาสิบสองก็ได้ถ้าจําได้แต่ต้องมีอะไรให้จิตใจทําอย่านั่งเฉยๆเพราะนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจจะดิ้นเมื่อดิ้นแล้วจะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ไ<อ>ถ้าต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบไม่ดิ้นนี้จําเป็นที่จะต้องมีการเจริญกรรมฐาน แบบไดแบบหนึง่งถ้าดูลม ด, ดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าบริกรรมพุทโธได้ก็บริกรรมพุทโธไปถ้าบริกรรมพุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบสวดอิตรีปิโสไปก็ได้ก็จะถ้าท่องอาการสามสิบสองได้ก็ท่องอาการสาสิบสองไปหลายๆรอบก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ไปแล้วจิตก็จะมี สติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ดิน้นเมื่อจิตไม่ดิน้นเดี๋ยวจิตก็นิ่งเข้าสู่ความสงบก็จะได้สมาธิขึ้นมาดังนั้นต่อไปนี้เวลาที่เหลืออยู่นี้เรามานั่งสมาธิกันต่อให้นั่งโดยการใช้กรรมฐานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ถนัดแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับภาวะอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าภาวะจากคนรอบข้างก็ดี ไม่ว่าเกิดจากเสียงหรือเกิดจากอะไรก็ดีอย่าไปสนใจหรือแม้แต่ภายในถ้าอาจจะปรากฏให้เห็นภาพหรือเห็นอะไรต่างๆก็ไม่ควรที่ไปจะสนใจให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้ในการควบคุมใจของเราแล้วใจของเราจะได้เข้าสู่ความสงบได้ตามลาดับต่อไปตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็หมดพอดี อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปิริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันททปนาราโสยธามะนีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตผวะตวันตารายุสุขิติคายุโกผวาอภิวาทันุสิลิสะนิจังวุทา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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนกรบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานาคุติจาก f a c e b o o สองร้อยเก้าสิบหนึ่งท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามร้อยสิบเก้า YouTube ดรว3สามสิบหนึ่งวิทยุออนไลน์หนึ่งคลับเฮ์สองนาคุติหนึ่งร้อยหกสิบเก้ารวมทั้งหมดแปดร้อยสิบสี่ท่านค่ะ คำถามจากผู้รับฟังนักกุฏิค่คะการโดนกระทำคุณสายมนดำทำของผูกด้วยมัตราสาังใสกันอาจเกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจการแข่งแย่งชิงดีการหรืออื่นๆมีจริงหรือไม่คะถ้ามีจริงคนโดนกระทำควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรคะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะเราก็ไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้ก็คิดว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งก็แล้วกันเหมือนเหมือนมีเมนมดเหมือนปืน วิธีถ้ า, ถาโดนก็ทำก็ทำใจเฉยๆไป <Yeah. S 1> เราทำอะไรไม่ได้หลบได้ก็หลบเดีกได้ก็เดีกหลบไม่ได้เดกไม่เด็กเดกไม่ได้ก็ทำใจไปคิดว่าใช้เวงใช้กรรมไปก็แล้วกันคำถามจากทาง Facebook ค่ะเราต้องใช้หลักธรรมข้อใดในการอยู่กับคนโทสาริตีคิดความคิดตัวเองเป็นหลักจู้จี้จุกจิก ทำคนทให้คนอยู่รอบๆต้องอารมณ์พุ่งจิตทุกคนไปแต่ทุกคนก็อดทนแล้วก็เหยียบเบรกอารมณ์ของตนเองไว้เช่นกันเราจะใช้ธรรมะกับคนที่จู้จี้จุกจิตไปทุกเรื่องได้อย่างไรครับก็ใช้อุเบกขาทำใจวางเฉยคิดว่าเขาเป็นเป็นเหมือนฝนตกแดดออกยินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ ฝนจะตกแดดจะออกเราก็ต้องอยู่กับมันไปคนจะดีคนจะเชื่อถ้าเราต้องอยู่กับเขาก็ต้องอยู่กันไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปมีปฏิกริยาตอบโต้อะไรเขาปล่อยเขาแสดงอาการของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปคาถามจากทาง facebook ค่ะตั้งแต่มีลูกชายก็ทำให้เริ่มได้เริ่มได้เขา้าเข้าใกล้การปฏิบัติ มากขึ้นแต่เวลาเขาดือ้อเราก็ตีสั่งสอนพอตีลูกแล้วก็กลัวบาปแบบนี้จะวางใจหรือปฏิบัติต่อเขาอย่างไรดีคะขอแคมแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยคะ่ะเวลาจะทำโทษใครต้องมีสติมีปัญญาอย่าทำตามอารมณ์ถ้ามีอารมณ์อย่าเพิ่งไปทำถ้าเราโกรธเขาอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่าไปพูดอะไรไว้ให้ใจเรานิ่งก่อนแล้วใช้เหตุใช้ผล ว่าเราควรจะพูดอะไรหรือไม่เราควรจะทำโทษเขาอย่างไรต่อไปคําถามจักทางกับคําถามสักดิทางยูทูทพระอาจารย์สุชาติค่ะ mm hmm. ลูกสาวเรียนจบปริญญาแต่พ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างผมก็ยังเป็นห่วงอนาคตเรื่องงานจิตชอบคิดเป็นทุกตลอดเวลาเราควรมีวิธีวางจิตอย่างไรครับก็คิดไปให้มันถึงที่สุดเลยสิ ที่สุดเขาต้องแก่เจ็บตายไปจะไปห่วงไปกังวลยังไงมันก็ห้ามเขาไม่ได้<ม>อะไรจะเกิดก็เกิด<ม>ในที่สุดก็ไม่หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปด้วยทุกคน คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะหนูรู้สึกว่าการฝึกที่จะมีสติรู้ตัวในชีวิตประจําวันทําได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธินา น, า น, านหากว่าฝึกสติรู้ตัวทั้งวันเก่งขึ้นแล้วจะทําใหสา้สามารถนั่งสมาธิได้นานขึ้นหรือไม่คะถูกต้องการเจริญสตินี้จะนําไปสู่การนั่งสมาธิได้นา น, านได้สงบมากขึ้นแล้พยายามเจริญสติในระหว่างวัน จะเลินทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะมาปฏิบัติ บ, ตบนเขาเข้าวันที่หกแล้วเจ้าค่ะแต่รู้สึกท้อแท้ใจมากเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ช่วยสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะเพาไม่ปฏิบัติจะได้มันคิดถึงบ้านมันก็ท้อแท้ใจถ้าขึ้นบนเขาต้องลืมบ้านลืมโลกลืมอะไรทั้งหมดให้อยู่ในปัจจุบัน ให้มีสติพุโทโธพุธโทโธเดินยงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมไปอย่าไปสนใจกับทางโลกถ้าสนใจทางโลกแล้วใจมันจะวุ่นแล้วมันจะไม่สงบแล้วมันจะไม่มีกำลังใจที่จะอยู่คำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะการสวดมนต์ให้พ่อแม่ที่ท่านเสียไปแล้วให้ผลได้บุญกุศลอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิคะไม่ได้ท่านั้นเนี่ย บุญที่จะให้พ่อแม่คนตายได้ก็คือการทำทานอย่างเดียวบุญจากการนั่งสมาธิานัานยังไม่ยัง ไ, ยงไม่ได้ยังยังอุทิศไม่ได้คำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะการ น, นั่งภาวนาควรจะหลับตาหรือลืมตาครับหลับตาจะดีกว่าจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจ ถ้าลืมตาเดี๋ยวนั้นคนนั้นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจมันก็จะไปติดกับรูปที่เราเห็นเขา้าใจก็จะไม่สงบดังนั้นปิดหูปิดตาให้หมดอย่าไปสนใจกับรูปเสียงกลิ่นรสให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องยุดเหนี่ยวจิตใจเพื่อทําใจให้สงบถ้าออกจากอารมณ์กรรมฐานแล้วใจจะไม่สงบนคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ขอถามเจ้าค่ะเวลาดูท่านนั่งสมาธิไร้สดเรานั่งพร้อมไปกับท่านได้ไหมเจ้าคะได้ไม่มีใครห้ามนั่งได้ทุกคนคนะคำถามจากทางลูกศิษย์ต่างประเทศค่ะอายาวนิดนึงนะคะ อ, อยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าเยน็นทาทาวัดเช้าหรือเยน็นเดินจงกรมนะ แผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยสามสิบนาทีถึงสี่ชั่วโมงเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเองระหว่างทำงานอยู่จิตแยกรูปแยกนามจิตพิจารณาความสว่างความสุขเองจิตเห็นสภาวะธรรมที่เกิดดับขณะนั้นนั้นเกิดขึ้นดับลงสักแต่ว่ารู้ดูเองค่ะเห็นเป็นสภาวะธรรมเกิดปัญญาตัวเราไม่มีมีแต่จิตมาอาศัย ท่าสี่หลังจากนั้นสติสมาธิเปลี่ยนไปรู้ได้ด้วยตนเองเวราจิตจะพิจารณาท่าสี่ก็จะทำเองในระหว่างวันเวลามีผัสสะกระทบ เช่นเดินก่อนถูกกระทบแล้วเกิดโทสะจิตจะตั้งมั่นอยู่ก็ตามดูตามรู้ไปแล้วเห็นโทสะกับจิตแยกกันเกิดแล้วดับไปส่งผลให้่าสีและขันร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาทันทีทั้งที่ก่อนหน้านั้นและตลอดชีวิตถูกไฟโทสะเผาร้อนเหมือนอยู่ในนรกเลยค่ะ จิตพิจารณาทำเองตามเหตุปัจจัยตรงนั้นแล้วหลายอาทิตย์ก่อนพอเกิดผัสสะกระทบสติเห็นความขัดเคืองใจขึ้นอยู่บ่อยๆทีๆพอเห็นการเกิดดับลงความขัดใจก็กลายเป็นความสุขสงบร่มเย็นแทนทุกวันนี้โยมก็สวด มนจงกลมแผ่เมตตาทุกวันระหว่างวันจิตก็เจริญสติปัฏฐานสี่เองค่ะนอกนา้นมีอะไรก็ตามดูตามดูตามรู้เท่าที่จิตจะรู้ได้ค่ะขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำค่ะก็ดีแล้วปฏิบัติแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วเพียแต่อาจจะยังไม่เข้มข้นอาจจะต้องไปทดสอบจิตใจกับของที่ยากๆข้อสอบที่ยากๆ เช่นไปอยู่ที่มันน่ากลัวอย่างนี้ดูว่าใจของเรานี่ยังกลัวอยู่หรือเปล่า ว, วันไหวอยู่หรือเปล่าหรือลองบีบใจไม่ให้มันกินข้าวสักวันสองวันดูซิดูซิว่ามันจะรู้สึกอย่างไรต้องมีข้อสอบถ้าเราอยู่แบบสุข ก, กายสบายมันก็ยังไม่เจอข้อสอบหนักถ้าไปเจอข้อสอบหนักเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างนี้ ดูซิว่าใจเรายัางเฉยยังปล่อยวางได้หรือเปล่านนยัางมีข้อสอบที่เราต้องทดสอบคือความแก่ความเจ็บความตายลองลองสมมุติว่าเราเป็นคนแก่ไปไหนมาไหนไม่ได้ขังตัวเราเองอยู่ในในบ้านไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆนั่งอยู่กับที่ที่เดียวสักห้าหกชั่วโมงได้ไหมไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆถ้าเมื่อก็ลุกขึ้นมายืนถ้าถ้ายืนแล้วเมื่อก็ ก, กลับมานั่ง อย่าไม่ให้ทำอะไรทั้ห้าหชั่วโมงดูต้องมีภาวะบีบท่านมันดูเหมือนกับว่าเราไปติดคุกติดตารางอย่างนี้เป็นต้นมาดูเสียว่าใจเรายังสบายหรือเปล่ายังสุขหรือเปล่าคำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะขอสอบถามว่าสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมการเจริญสติปัฏฐานทาอย่างไรและเวลาสติปัฏฐานเกิดมีลักษณะอย่างไรคะ สติปัฏฐานมันเป็นหลักสูตรส า, สามหลักสูตรด้วยกันความจริงหลักสูตรที่หนึ่งก็คือการเจริญสติก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนเราก็ต้องมีสติผูกใจไว้กับร่างกายไม่ว่าในเรียบบทใดให้จิตอยู่กับร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราผูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายได้เวลาเรานั่งสมาธิอันนี้หลักหลักสูตรข้อที่สองคือการนั่งสมาธิ ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับลมหายใจจนจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิแล้วท่านต่อไปก็ออกจากเวลาออกจากสมาธิมาก็ไปสอนใจให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายของเวทนาของจิตว่าเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปถ้าไปยึดไปติดไม่อยากให้เขาดับก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้เขา กดับไปตามเรื่องของเขานี่คือสติปัฏฐานมีสามระดับระดับสติระดับสมาธิระดับปัญญาไม่ได้ทำทีเดียวพร้อมกันหมดทำเป็นทีละขั้นทีละตอนไปคำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะถามว่าเข้าสมาธิแล้วจิตเขาบอกว่ามีจิตในจิตมีไหมคะ ยังไม่สงบถ้าสงบแล้วไม่มีอะไรทงนั้นไม่มีใครว่าอะไรนิ่งเฉยๆมีแต่รู้เฉยๆยังยังไม่ใช่สงบแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าเขาว่ายัางไงให้ไปเห็นของจริงดีกว่าคำถามจากคุณนันทพรค่ะนั่งสมาธิจิตคิดถึงต้นไม้แล้วมีความสุขพอกลับมาดูลมจิตอึดอัดแบบนี้เราคิดถึงต้นไม้ผิดไหมคะ ท้าทำอะไรถ้าคิดอะไรนั้นทําให้ใจสงบก็ใช้ได้อาจจะเราชอบต้นไม้พอเราเนึ่องถึงต้นไม้เราใจก็สงบก็ใช้ต้นไม้แทนก็ได้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายตกใจกลัวออกจากการนั่งสมาธิมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็สนใจว่าไม่ตายหรอกลมหายใจมันละเอียดเราไม่สามารถจับมันได้ให้รู้เฉย ว่าตอนนี้ลมละเอียดไม่สามารถจับมันได้รู้อยู่ที่เดียวรู้อยู่ที่เดิมที่เราดูลมคือแถวบริเวณปลายจมูกรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้สัมผัสรับรู้ก็รู้เฉยๆไปตอนนั้นจิตมันใกล้จะสงบแล้วอย่าอย่าไปเตือนโตนกตกใจเพราะมันจะทําให้จิตถอนออกมาแต่ถ้ารู้เฉยๆไปต่อไปเดี๋ยวมันก็วุบเข้าไปมันกือบจะเข้าหลุมแล้วงั้นอย่าไปดึงดึงจิตออกมา ด้วยความตนกตกใจด้วยความคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆต่อไปคำถามจากคุณนาวินค่ะผมจะเจริญอานณาปณสติแล้วสติมีอยู่ในลมหายใจในชีวิตประจำวนันเรียกสติสามโพชงไหมใช่ไหมครับไม่รู้ไม่ต้องเป็นสนใจชื่อมันอาให้ได้ตัวมันก็แล้วกันคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การบริจาคเลือดจะอุทิศบุญให้ผู้ร่วงลับไปแล้วได้ด้วยหรือไม่ครับได้เป็นทานชนิดหนึ่งเห<ำ>มือนกับเหมือนกับใส่บารเหมือนกับบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานก็สามารถอุทิศบุญอันนี้ได้หลังจากที่ได้ทำแล้วมีท่านถามตอบไป คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะหากมาฟังธรรมพระอาจารย์ที่วัดยานเอาปลามาปล่อยที่สน้มได้ไหมคะได้ไม่มีข้อห้าหมเลยขอโอกาสเจ้าค่ะ อ, อันนี้โยมขออนุญาตเช็คนะเจ้าคะคือพูดดังๆเหมือใกล้ใ คือสองอาทิตย์ที่แล้วได้สอบถามอาจารย์เรื่องเรื่องศรัทธานะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ฟังประวัติของคูบาต่างๆก็ได้ผลมากเลยคือทุกเช้าเนี่ยโยมจะอย่างต่ำก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็โยมจะฟังเทศนะคะแต่ว่าก็คือเปลีย่ยนมาเป็นประวัติของพระอาจารย์ต่างๆนะคะก็ได้ผลมากเลยก็คือศรัทธาเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะอืม หลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้เพิ่งอาทิตย์นี้เลยก็คนอ า, อาจารย์ท่านล่าสุดก็คือเจ้าคุณนอนะคะ ก, ก็หลักๆ ก, ก็คือที่โยมสอนตัวเองก็คือท่านพูดว่าท่านสอนว่ามันสุขน้อยมากเลยมีแต่ทุกข์อะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีประโยชน์นะคะโยมก็อันนี้คือที่ล่าสุดนะคะสามสี่วันที่ผ่านมาถ้าโยมอยู่นิ่งๆเนี่ย โยมก็จะใช้พุโทโธหรือไม่ก็พุโทโธธรโมสังโฆแต่ถ้าทั้งวันเนี่ยถ้าเกิดโยมคือยังไงก็ต้องต้องยังต้องทํางานนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถแบบหยุดนิ่งๆคือไม่ไม่รวยพอนะคะก็การที่จะดึงจิตกลับมานอกจากฟังเทศนะคะโยมก็จะใช้ณวันนั้นที่ที่จิตสเสวยอะไรคะ่ะอย่างที่ผ่านมาคือเจ้าคุณน้อยเนี่ยคะ่ะ ก็อย่างเนี้ยเวลาถ้าเกิดโยมไม่สามารถใช้พุทโธ ท, ที่ดึงเร็วได้เนี่ยโยมก็จะบอกก็จะพูด ก, กับใจเลยบางทีก็จะออกเสียงเลยว่ามันสุขน้อยมากทุกทั้งนั้นเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้คืออารมณ์กรรมาฐานทั้งวันเลยเห็นตายร่างไงเห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกทั้งนั้นไม่ใช่สุกอันนี้คือถูกใช้ได้ใช่ไหมคะวิธีนี้เราทำ ใ, ใจได้ทำให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายได้ก็ใช้ได้ อันนี้คือไม่จําเป็นต้องพูดโทอย่างเดียวพูดอันนี้จังทุกขังนนั้นตาก็ได้ทุกทุกอย่างทุกทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญการงานการทํางานอะไรทรัพสมบัติเก้าของเงินทองเปของทุกทั้งนั้นใช่ค่ะทุกข์แล้วมันก็จะปล่อยวางมันก็จะไม่วุ่นวายใจแต่โยมยังไม่ได้ยังไม่ได้สงบอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันก็สงบระยะนิดหนึ่งไม่มูดว่สงบอะไรหรือเปล่าจะสงบต้องนั่งเฉยๆต้องนั่งนิ่งๆนั่งนาน คือถ้าเกิดมี <c oughs> พยายามจะให้มานั่งได้มากที่สุดใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ยังต้องไปปีกเวกอยู่คนเดียวไม่มีงานทำก็ ค, คุมสติไว้ตลอดเวลาก็ ค, คุมจิตไว้ตลอดเวลาเวลานั่งก็จะสงบได้นานเ่นแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือตอนนี้โยมคือโยมยัง โยมยังปล่อยไม่ได้เรื่องร่างกายอะแต่โยมวางอย่างเงี้ยอันนี้คือยังผ่อนผันไปได้ไหมคะก็เบาลงกิเลสเบาลงแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปจะห้ามมันไม่ได้เราก็พยายามฝึกจิตถ้าจิตเราสงบมากเท่าไหร่ก็จะปล่อยได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วพยายามฝึกสมาธิให้มากๆปัญญาอย่างเดียวไม่พอกําลังไม่พอที่จะปล่อยการจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็คือต้อง ตองมาปีกวิเวกแล้วก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมคะปัญญามันพอแล้วที่มันต้องการคือสมาธิสมาธิคื อ, อยังไงก็ต้องมาอยู่นิ่งๆใช่ต้องอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวปีกวเวกไม่คิดไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆไม่คิดปรุงแต่งก็แสดงว่าอใช้อายตนะอะตาอหูอะไรเนี่ยให้วางไว้ก่อนเวลาเป็นมวลไงไปอยู่คนเด<ล>ียวมันก็ไม่รับรูปเสียงกลิ่นแล้วไม่รับรเรื่องราวต่างๆตอนที่ทางสมาธิคือต้องปิดเลยปิดเลยไปปีกวิเวก แม้แต่ใจยังอยากก็ขอปิดก่อนอ่าปิดทุกอย่างไม่รับรู้เรื่องทางโลกปฏิบัติเนี่ยธมอะค่ะกราบข อ, อการครับพระอาจารย์โยมไม่ได้มีคำถามะคะ่ะแต่ว่าอยากจะขอกราบอนุญาตว่าถ้าโยมล อ, อ, อยากจะมาปฏิบัติธรรมบนเขานะคะแล้วก็พอดีโยมอยู่ที่วัดต่างประเทศแล้วก็มี โยมที่เขาอยู่ที่วัดด้วยค่ะชาวต่างชาติเขาก็สนใจอยากจะมาอะขอปฏิบัติอยู่ที่บนเขาวัดที่อยู่ก็เป็นวัดที่อยู่ในเขาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพุ่นมีสองสามคนที่เขาอยากอยากจะมาขอปฏิบัติก็ติดต่อกั บ, บ <น S 1> <อ>ผู้ที่เขาจัดการจองที่พักได้ได้<ก>ใช่รหมรู้จักคนที่จะติดต่อใช่ไหมหมายเลข โทศัท์รือะไรเงี้ยยังไม่ทราบค่ะอันนี้ก็ลองถามคณะได้ค่ะคงจะมีคนที่เขาทราบเดี๋ยวเขาจะแนะนําให้ทราบได้ค่ะแต่ว่าอคือพระอาจารย์อนุญาตให้ไปปฏิบัติได้คือเราไม่ได้เกี่ยวกับเราเพียงแต่เราเพียงแต่ไม่เกี่ยวกับเราก็อยู่ที่เขาอะอยู่ที่เขาโอเคค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่างหรือไม่ว่างมากกว่าเพราะบางทีคิวยาวบางทีค่ะบางทีคนเขาจองกันเยอะค่ะ ที่พักมันก็มีไม่มากมีแค่แปดหลังนค่เองก็เราก็รู้ว่ามันยากก็จองไม่เนื่อนก่อนลแล้วโทรไป ค, คุยกับเขาก่อนดูว่าทำยังไงเจ้าค่ะโดยหลักเขาก็จะให้อยู่ครั้งละไม่เกินสิบสี่วันหรือสิบสามวันนี้ค่ะก็ลองคุยกันดูค่ะคุณค่ ะ, คะ คำถามจากทาง Facebook ค่ะในการเดินมีความคิดเกิดขึ้นมีอาการเกิดขึ้นสองอย่างเราจะมีสมาธิกับอะไรเห็นอาการอะไรก่อนเจ้าคะอ ย, อยู่กับการเดินอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอย่างอื่นดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักดูการกระทําของร่างกายเป็นหลักถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ใช้คําบริกรรมช่วยหยุดมันก็ได้เดินไปก็พุโทโธพุโทโธไปด้วย <c oughs> ทําอะไรก็พุโทโธไปด้วย คำถามจากคุณสุชัญญาค่ะการที่เราทําบุญกับพระสงฆ์กับทําบุญกับสัตว์และคนขอทานบุญจะได้เท่ากันไหมเจ้าคะคือบุญมันมีสองส่วนบุญที่เกิดจากการให้นี้เหมือนกันไม่ว่าจะให้ใครให้หมาให้พระบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินน้อยบาทนี้ได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์บุญที่จะได้รับจากหมาจากพระนี้ไม่เหมือนกันหมาก็จะช่วยเหา่าคอยไล่ขโมยให้ ทาพาก็จะสอนธรรมะให้กับเราอันนี้ไม่ไม่เหมือนกันบุญแบบนี้ไม่เหมือนกันบุญจากผู้รับไม่เหมือนกันบุญจากผู้ให้อันนี้เหมือนกัน <c oughs> เอาคำถามสุดท้ายเนะเวลาหมด น, นะคำถามจากคุณเจลีค่ะ พระอาจารย์บอกให้นั่งเฉยๆสี่ชั่วโมงไม่อนุญาตให้อ่านหนังสือธรรมะใช่ไหมคะเพราะการอ่านหนังสือจะเบีเ่ยงเบนประเด็นอนุญาตเฉพาะนั่งสมาธิยืนจงยืนจงกรมใช่ไห ม, หมคะใช่แล้วก็แล้วก็ไม่ให้นอนด้วยนะไม่ให้หลับด้วย <c oughs> โอเคนะสําหรับวันนี้ก็ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ <c oughs> เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ